ฝันถึงดังตรินถามฝันว่าคุณดังตรินมาถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้เป็นฝันที่จําชัดมากอยากทราบว่าที่เห็นนั้นเป็นคุณดังตรินหรือภาคหนึ่งของจิตคุณดังตรินจริงๆหรือเปล่าตอบ ยิ่งผมเขียนหนังสือและบทความมากขึ้นช่วงหลังก็ยิ่งได้รับคำถามทํานองนี้จากคุณคุณมากขึ้นเช่นกันก็ขอให้คำตอบพร้อมข้อเท็จจริงไว้ณที่นี้ในคราวเดียวนะครับปรากฏการทางฝันนับเป็นเรื่องลึกลับชนิดหนึ่งที่พวกเราเผชิญกันอยู่ทุกคืนประสบการฝันทั่วไปที่เกิดจากการก้าวลงสู่ความหลับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นทาให้คนส่วนใหญ่ ตัดสินว่าความฝันเป็นคลื่นลมในหัวที่เหลวไหลไร้สาระไม่แตกต่างจากความฟุ้งซ่านไร้สติทั่วไปขณะที่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งเห็นความฝันเป็นช่องทางเชื่อมต่อกับตามิติเช่นขอดูเลขหวยงวดที่กำลังจะออกหรือติดต่อกับญาติที่เพิ่งตายแต่บางคนก็มีความสามารถพิเยิ่งกว่านั้น เช่นนักพยากรณ์ระดับโลกอย่างเอ็ดกาเคฝึกหลับเพื่อรู้นิมิตเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งหลายคำทนายของเขาก็ถูกต้องตรงจริงมิฉะนั้นคงไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักประมาณน้องๆนอสตาดามุส น, นอกจากนั้นความฝันเป็นทางมาของผลงานแปลกใหม่เช่นนักประพันธ์ขายดีข้ามชาติอย่างสตีเฟนคิง ได้พล็อตเรื่องจากฝันระทึกในบางคืนของเขาคีตากวีนางอุโคดอย่างนิโคโลโแพรการนินี่ก็ได้งานเพลงชิ้นสำคัญมาจากการฝันว่าปีศาสีไวโอลินให้ฟังทุกวันนี้ฝรั่งนักเล่นฝันก็มีวิธีใหม่ๆในการใช้ฝันให้เป็นประโยชน์ตามประสงค์เช่นการฝึกมีสติรู้ตัวในฝันที่สมจริง การฝันร่วมกันการใช้ฝันเพื่อเยียวยาวรักษาและอื่นๆจริงจังขนาดตั้งเป็นสถาบันวิจัยพัฒนากันใหญ่โตทีเดียวสรุปว่าความฝันก็สำคัญไม่ใช่เล่นเหมือนกันไม่ต้องเอาอะไรที่กล่าวมาข้างต้นเลยก็ได้อย่างน้อยคุณคงเคยได้ยินข่าวโจรกลับใจมอบตัวเพียงเพราะฝันร้ายเห็นผีเหยื่อมาทวงแค้นทุกคืน หรือคุณอาจเจอมากับตัวเองประเภทต้องย้อนกลับไปหาคนรักเก่าเพียงเราะทนอารมณ์พิศวาสแทบขาดใจในฝันหวานไม่ไหวหลายครั้งความฝันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนการตัดสินใจของคุณได้จึงไม่ควรดูแคลนหรือมองว่าเป็นเรื่องเล็กที่สักแต่ผ่านไปชั่วคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝันเดิมๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆและจูงจิตให้ปักใจเชื่อว่านั่นเป็นโลกที่สองของคุณยิ่งถ้าเป็นความฝันที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณอันนั้นยิ่งต้องถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเพราะหมายถึงว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตนี้เป็นประตูสู่ความพ้นทุกข์หรือหลงวนติดอยู่กับวงจรลวงใจเดิมๆ เท่าที่ผมฟังมานักปฏิบัติธรรมมากรายกล่าวว่าตนเองได้วิธีฝึกจิตมาจากพระพุทธองค์หรือเทพพรมที่มาสอนในฝันชาวบ้านธรรมดาหลายรายเปลี่ยนเป็นคนทรงเจ้าเพียงชั่วข้ามคืนโดยอ้างว่านายเก่ามาตามตัวและขอใช้ร่างเพื่อเป็นช่องทางให้ช่วยเหลือมนุษย์เพิ่มบารมีหรือแปลอีกทีก็คือหาบริวารเพิ่ม ฟันทงกันแบบตรงปลตรงมาไม่อ้อมค้อมของพวกนี้มีครับที่เป็นเรื่องจริงไม่ได้อุปาทานไปเองแต่ส่วนใหญ่โดนสะกดจิตหมู่ช่วยกันสร้างอาณาจักรในฝันตามรูปแบบที่พากันปักใจเชื่อแล้วก็เลยพากันฝันเห็นอะไรเหมือนเหมือนกันหรือคล้ายคลกันหรือกระทั่งเหมือนได้ไปเจอและพูดคุยกันในอีกโลกหนึ่งทั้งที่จริงเป็นโทรจิตผ่านฝัน หรือผ่านภาวะสมาธิที่เชื่อมถึงกันซึ่งล้าสมัยเหนือเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไรสายที่ว่าเร็วสุดขีดในปัจจุบันเพราะในการสื่อสารทางจิตขณะฝันนั้นคุณจะเห็นภาพและเสียงเป็นสามมิติคมชัดไร้ที่ติในขณะที่เทคโนโลยีโลกเสมือนผ่านการสื่อสารไร้สายยังห่างไกลจากคุชสัายไปหลายสิบปี ฝัอนอันน่าติดใจบางเรื่องอาจดึงดูดให้หลายคนติดอยู่ในโลกใบที่สองซึ่งจิตสร้างขึ้นมาเองขณะหลับพวกนี้อาจเกิดขึ้นได้น้อยเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราไม่ค่อยเชื่อความฝันชั่วครู่ชั่วคราวแต่บทบางคนจะเชื่อขึ้นมาก็ถึงขั้นที่จิตสร้างฝันแบบเดิมให้เสพได้เกือบทุกคืนเลยทีเดียวพวกอารมณ์รุนแรงความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากๆ มักทมกันได้ครับเกินสยาวไม่ใช่อะไรอยากปูพื้นซะ ก, ก่อนว่าจิตขณะฝันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนเกินเลยเอาละวกกลับมาตอบให้ตรงคำถามเสียทีขอแจงเป็นข้อข้อนะครับหนึ่งความแจ่มชัดสมจริงของฝัน ไม่ได้แปลว่าฝันเป็นความจริงเสมอไปมันอาจหมายความว่าจิตของคุณนิ่งมีคุณภาพมีความสว่างเป็นกุศลเช่นบางคนอ่านหนังสือธรรมาเสร็จแล้วหลับทันทีก็อาจเกิดปรากฏการณ์ทางจิตได้หลากหลายขอให้ทำความเข้าใจว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแน่ๆคือจิตดีๆนั่นเองส่วนเหตุการณ์ในฝันไม่ต้องไปนับก็ได้ว่าจริงเท็จอย่างไร เราะแก่นสารของชีวิตคุณอยู่ที่จิตเป็นกุศลหรืออกุศลเมื่อหลับด้วยกุศลละจิตได้ก็น่าดีใจเหนือสิ่งอื่นใดแล้ว 2. คํคำแนะนำดีๆถ้าดีจริงและสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้มาจากฝันก็หาใช่ข้อหน้ารังเกียจแต่อย่างใด หากเป็นกำลังใจให้คุณอยากบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีหรือกระทั่งภาวนาบารมีก็ถือว่าเป็นนิมิตมงคลอันประเสริฐสำหรับตัวคุณเองต่อให้คุณฝันว่าคุยกับม้าพูดได้แล้วม้าให้ข้อคิดอันวิเศษนำไปใช้ได้จริงเชื่อม้ามันสิ้นหน่อยก็ไม่เสียหายหรอกยิ่งถ้าฝันว่าคุยกับคนก็คงไม่น่าประดักประเดิดที่จะนามาพิจารณาบ้าง สผมไม่เคยส่งตัวเองเข้าไปในความฝันของคนที่ไม่เคยพบหน้ากันฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นในฝันไม่ใช่ตัวของผมในขณะที่คุณเห็นผมคุยด้วยผมอาจกำลังนอนหลับสนิทอาจกำลังนั่งสมาธิเพลินๆหรืออาจกำลังยืนบิดเอวแก้เมื่อจากการทำงานหลังคดหลังแข็งอยู่ก็ได้สี่ หากพบว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่อะไรที่คุณเคยได้ยินจากใครไม่ใช่กระทั่งข้อเขียนต่างๆของผมในโลกความจริงอันนี้มีความเป็นไปได้หลากหลายครับแต่ที่น่าจะเป็นมากกว่าอย่างอื่นคือจิตของคุณเองคุยกับตัวเองโดยเอาผมไปเป็นหุ่นแทนอีกภาคหนึ่งของคุณข้อสุดท้ายเนี่ยต้องขยายความ และถ้าจะเจรณัยกันจริงๆก็คงได้เนื้อความหลายสิบหน้าเอาเป็นว่าณที่นี้พูดแค่สั้นๆว่าเนื้อความทั้งหมดที่คุณอ่านจากหนังสือหรือข้อเขียนใดๆของดังตรนินล้วนแล้วแต่ไหลมาจากจิตของผมเมื่ออ่านบ่อยหน่อยถึงจุดหนึ่งก็อาจกล่าวว่าคุณสัมผัสกระแสจิตของผมได้หลายคนอาจรู้สึกเหมือนคุยกับผมตอหน้าต่อตากันมานาน สะสมแนวคิดและมุมมองของผมไว้ไม่น้อยอันนั้นก็เข้าไปเป็นข้อมูลที่จิตของคุณหยิบจับมาปรุงต่อได้พิสดารสารพัดบางคนเห็นผมตอบคำถามไขข้อข้องใจในฝันได้เป็นฉากๆเตินขึ้นมายังจำได้สนิทนั่นก็เป็นความฉลาดทางจิตของคุณเองเป็นปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมความสว่างและแง่คิดตามจริงเมื่อใดจิตมีคุณภาพ พร้อมจะมีเหตุผลพร้อมจะรู้เห็นโลกตามจริงเมื่อนั้นจิตย่อมมีคำตอบแก้ข้อสงสัยให้ตัวเองได้เสมออาจด้วยการอย่างรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกันตลอดสายความฉลาดขณะฝันนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครค้นคว้าวิจัยกันแต่บอกได้อย่างหนึง่งคือถ้าก่อนหลับ คุณสั่งสมกุศลอันเป็นธรรมชาติสว่างไว้มากฝึกที่จะมองและยอมรับชีวิตตัวเองตามหลักกรรมวิบากตลอดจนฝึกที่จะมองและรู้เห็นกายใจตนเองโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อลงสู่ความหลับอย่างมีสติคุณอาจพบขุมทรัพย์ทางวิญญาณอันล้ำค่าในอีกทางหนึ่ง เพื่อให้คําตอบครอบคลุมความจริงทั้งหมดผมอยากช่วยยืนยันว่าบางกรณีมีครูบาอาจารย์หรือมีเทพมาเข้าฝันได้จริงๆก้ทางจิตไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับผู้ทรงฌานคือแค่กำหนดดูวาระจิตอันเป็นปัจจุบันขณะของคนที่ต้องการติดต่อและรู้ว่าเขากำลังอยู่ในสภาพพร้อมจะเห็นนิมิตอย่างเช่นกาลังหลับไหล หรืออย่างเช่นกำลังเข้าสมาธิได้สว่างนิ่งผู้ทรงฌานก็เพียงเชื่อมต่อจากจิตถึงจิตด้วยการนึกว่าจะให้เขาเห็นคงคล้ายกับที่คุณแอบย่องมาข้างหลังใครแล้วเพ่งนึกเหมือนสะกิดให้เขารู้สึกถึงการมาของคุณหันมาเห็นคุณ น, นั่นแหละเพียงแต่อำนาจจิตขั้นสูงจะทำได้ยิ่งกว่าสะกิดให้รู้สึกเยอะ เมื่อกล่าวว่าเป็นไปได้จริงก็ขอกล่าวในอีกทางหนึ่งคือกรณีของการเรียนรู้วิธีฝึกจิตหรือปฏิบัติธรรมจากในฝันหรือพระชื่อดังรูปใดมาสอนอันนั้นผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องปลอดภัยนักเพราะโอกาสเสี่ยงไปเข้าทางมิจฉาทิฐิมีสูงกว่าเข้าทางสัมมาทิฐิจากที่ฟังคาให้การของผู้เรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ในฝัน ระกดว่า9ก้าในสิบเป็นอุปาทานเข้าข้างตัวเองที่ไม่รู้ตัวหรือแม้จะเจอของสูงมาจริงก็หาใช่นำไปสู่ความพ้นทุกเด็ดขาดแต่จะมาชวนให้ไปเป็นบริวารของท่านเสียมากกว่ายกตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์ในฝันมักเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้รู้จักกับนิพพานส่วนใหญ่จะเห็นเหมือนแดนสุขาวดี มีประสาทวิมานแก้วมีดอกบัวสะพรัง่งมีบรรยากาศสงบเยือกเย็ยนน่าเป็นสุขเหลือประมาณหรืออีกทีก็เห็นว่านิพานเป็นอวกาศมีตัวเองลอยเท้งเต้งอยู่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรตื่นขึ้นมาแล้วบนอุบว่านิพานไม่เห็นมีอะไรน่าเบื่อจะตายผมฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจครับพวกที่เชื่อว่าตนมีเทพรมมาโปรดถึงในฝันนั้น พูดบอกหรือชี้แจงให้เข้าใจยากเนื่องจากหลงนึกว่าตัวเองมีดีเหนือมนุษย์เสแล้วถ้าจะเรียนกรรมาฐานขอแนะนำให้เรียนกับครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตมีความสามารถแสดงเหตุผลและคุณสามารถไปสอบเทียบกับพระไตรปิฎกได้ว่าถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนเพียงใดวันหนึ่งเมื่อคุณรู้จักนิพพาน คุณจะรู้ว่าไม่มีรถอะไรเหนือกว่านั้นอีกแล้วจริงๆและนิพพานก็เป็นสิ่งที่สัมผัสรู้ได้ด้วยจิตขณะตื่นเต็มไม่ใช่ต้องหลับฝันหรือพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนซะก่อนจิตอันบำเพ็ญบารมีครบพร้อมแล้วนั่นแหละที่จะพบว่านิพพานอยู่ใกล้แค่เอื้อมขอแค่มองชีวิตจริงให้ถูกมองชีวิตจริงให้เป็นเท่านั้น หลังจากอ่านหรือฟังคำตอบจบคืนนี้คุณอาจฝันเห็นอะไรต่ออะไรก็ขอแนะนำไว้ล่วงหน้าว่าให้ถือเป็นกำลังใจแต่อย่ายึดไว้เป็นอุปาทานนะครับ